มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่เมืองอุกกะเวลาในแคว้นวัชีเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวมคตเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิดได้คำหนึ่งถึงวรดูศาสตร์คือในเดือนสุดท้ายของฤดูฝนตรวจตราดูที่ฝั่งแม่น้ำคงคา ทางฝากนี้แล้วได้ต้อนฝูงโคข้ามไปฝั่งเหนือที่ฝากโน้นของแม่น้ำคงคาตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโคข้ามทีเดียวนายโคบานผู้นั้นก็ได้ต้อนเหล่าโคที่แข็งแรงอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคผู้นำฝูงให้ข้ามไปเป็นพวกแรกมันได้ไหวตัดตรงกระแสมน้ำคงคา ถึงฟากโนนได้โดยสวัสดีต่อจากพวกแรกนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นโคที่ใช้งานเป็นพวกโคที่เพิ่งฝึกใช้งานมันก็ได้ว่าตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฟากโนนได้โดยสวัสดีต่อจากพวกที่สองนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นโคหนุ่ม และโคสาวที่รุ่นรุ่นมันก็ได้ไหว้ตัดตรงกระแสะม่น้ํำคงคาถึงฝั่งโน้นได้โดยสวดดัสดีต่อจากพวกที่สามนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นลูกโคและโคที่สู้ผอมมันก็ได้ไหว้ตัดตรงกระแสะม่น้ํำคงคาถึงฟากโน้นได้โดยสวดดัสดีเช่นเดียวกันพิสูจ์ตั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว ลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มันมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสมน้ำคงคาถึงฝากโน้นได้โดยสวัสดีเช่นเดียวกันก้อนนั้นรเนร่ไหลเล่าเพระเห็นว่าโคบาลผู้นั้นเป็นบัณดิตโคบาลชาวมคตนั้นเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิดได้กำหน่งถึงฤ ด, ดูศาสตร์ ในเดือนสุดท้ายของฤดูฝนตรวจตราฝั่งแม่น้ำโคงขาทางฝากนี้แล้วจึงต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝากโน้นตรงที่ที่เป็นท่าสําหรับข้ามโคทีเดียวฉันใดกระฉันนั้นสมณนะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นฉลาดในเรื่องวัตตะ อันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดในเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูฉลาดในเรื่องวิวัตตะอันอไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูจนเหล่าใดสําคัญว่าถ้อยคำของสมณะหรือพรามเหล่านั้นควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เกื้อกูล แก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนานภิกษุตระลายบรรดาเหล่าโคจ่าฝูงที่เป็นโคแข็งแรงเป็นโคผู้นำฝูงได้ไหว้ตัดตรงกระแสมน้ำโคงคาถึงฝั่งฝากโน้นได้โดยสวัสดีฉะนั้นก็ฉะนั้นคือเราภิกษุผู้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะจบปรมาจันทร์หมดกิจที่ควรทำ รงภาระลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้วมีสังโยชนในพบสิ้นไปอรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดผ่ากระแสะแห่งมารถึงฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีอย่างเดียวกันเหล่าโควพวกที่ใช้งานมีกำลังและพวกที่เพิ่งฝึกหัดใช้งาน ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยโจดดีข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นคือเราพิกสุอนาคามีผู้เกิดผุดขึ้นและจะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่จะต้องกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างแม้พิษุเหล่านั้นก็ได้ตัด ผ่ากระแสะแห่งมารตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานได้โดยสวัสดีอย่างเดียวกันเราโคที่เป็นโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นรุ่นก็ได้ว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นได้โดยสวัสดีสช่นเดียวกัะนั้นเราพิสุผู้เป็นสกทาคามีปเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยต คือเรื่องร้ายรัดเบื้องต่ำสามอย่างและเพราะทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางน้อยลงจึงมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นก็จะกรรมำที่สุดแห่งทุกได้แม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสะแห่งมารตรงไปฝั่งภาคโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีอย่างเดียวกันเราลูกโก และโกรที่สู้ผอมก็ได้่หวตัดกระแสะแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นได้โดยสวัสดีจต่ในกระนั้นเราภิกษุผู้เป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปรอบแห่งเครื่องร้ายรัดเบื้องต่ำสามอย่างมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ในเบื้องหน้าแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดผ่ากระแสะแห่งมาร ตรงไปสู่ฝั่งฝากโน้นแห่งนิพานได้โดยสวัสดีอย่างเดียวกันภิกษุตั้งหลายส่วนลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นก็ว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มันก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ําคงคาถึงฝั่งฝากโน้นได้โดยสวัสดีเหมือนกัน้อ น, นี้ฉันใดคือเราภิกษุผู้มีกระแสะแห่งธรรมผูแเ่นไปตามกระแสะแห่งศรัทธา คือธรรมานุสารีและสัทธานุสารีแม้บุคคลเหล่านั้นก็ได้ตัดผ่ากระแสแห่งมารตรงไปยังฝั่งฝากโน้นแห่งนิพพานได้โดยสวัสดีเย่นเดียวกันเมื่อจบพุทธธรรมรัตนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าโลกนี้ ok และโลกหน้าตถาคตผู้รู้ได้ประกาศไว้ดีแล้ว ตถาคตผู้ตรัสรู้เองทราบชัดโลกทั้งปวงทั้งที่มารไปถึงได้และที่มัจจุราชไปถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งจึงได้เปิดประตูแห่งอมะตะเพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนเกษมกระสสแห่งมารผู้ใจบาปตถาคตตัดได้แล้วกำจัดได้แล้วกำราบได้แล้วปิสุทัหลาย พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทปรารถนาถึงธรรมอันเป็นแดนเกษมเถิดข้าพเจ้าพระภัยบุญอภิปุโ น, โนก็ได้นำสิ่งที่พระาตรัสไว้มาให้ท่านผู้ฟังฟังอีกครั้งหนึ่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ได้นำเรื่องราวของนายโคบานนั่นก็คือคนเลี้ยงโคนั่นเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน เกิดขึ้นที่เมืองที่ชื่อว่าอุกาเจลนครในอุกาเจลนครนี้ตอนที่เขาสร้างเมืองเนี่ยก็มีเรื่องเล่ากันว่าตอนนั้นเนี่ยกึ่เมืองได้ยอยู่ริมแม่น้ำคงขาแตนะ่ตอนที่สร้างเมืองนั้นน้ําขึ้นมากนะแล้วก็เป็นเมืองที่มีปลาชุมเขาก็เอาผ้าเนี่ยพันไว้แล้วก็ชุบน้ํามันผ้าชุบน้ํามันแล้วก็พันไว้นะเป็นใต้เป็นคบเพลิงขึ้นมาแล้วก็ไปหาปลากัน แล้วก็จึงชื่อตั้งชื่อเมือง น, นี้ว่าอุกาเจลานก่อนก็แปลว่าเมืองที่จับปลาได้ด้วยคบเพลิงผ้านั่นเองในที่นั้นผู้ชาได้เปรียบเทียบถึงนายโคบานอยู่สองคนคือในสถานการณ์ที่นั้นเนี่ยตอนนั้นพิกษุก็นั่งอยู่ริมหาดทรายที่ริมฝั่งแม่น้ํำคงคาตอนเย็นแล้วก็เห็นนายโคบานคนหนึ่งที่ไม่ค่อยฉลาดละพะดูท่าทางแล้วพาโคตั้งหลายพันเนี่ย กำลังข้ามแม่น้ําอยู่แต่ปรากฏว่าถูกน้ําพัดพาซัดไปนะหลายพันส่วนนายโคบานอีกกลุ่มหนึ่งนะเป็นพาโคหลายแสนกนะําลังเดินข้ามแม่น้ําอยู่ก็ค่อยข้าไมไปไดนะ้เห็นเปรียบเทียบกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยยกตัวอย่างนะอีกแล้วแตนะ่เป็นเรื่องที่ให้สอนบิกษุาตไดนะ้คือเวลานายโคบา น, เ, นเขาจะพาโคข้ามแม่น้ำนํำแนะม่น้ําคงคาท่านฟังไปเห็ น, นมันก็จะ กว้างมากทีเดียวแล้วก็มีน้ำไหลยเยอะมากเพรดังนั้นไอ้ความที่ปริมาณน้ํามากแล้วก็น้ําไหลแรงโดยเฉพาะยิ่งเป็นฤ ด, ดูศาสตร์ในฤดูศาสตร์ก็คือท้ายของฤ ด, ดูฝนซึ่งน้ํานี่ก็จะเต็มขึ้นอีกในที่นั้นทํำยังไงในโคบาลเนี่ยเขาก็จะต้องดูท่านะท่าสําหรับขึ้นกี่ตอนลงมันไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมมันก็ใส่แรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็ลงไปแต่อีตอนขึ้นเนี่ยเขาจะต้องดูไว้ว่าเอ๊ะท่าตรงไหนจะขึ้นได้ วเวลาที่ลงไปเนี่ยน้ําก็จะค่อยพัดไปพัดไปเขาก็จะต้องดูว่าไอ้เส้นทางที่เดินไปเนี่ยในโคบาลเนี่ยนะเขาจะต้องดูนะว่ามันต้องมีเนินทรายสักสองสแห่งเหนือเพื่อให้โคเนี่ยมันพักได้เหยียบขาไดนะ้แห่งตรงนี้นะว่ายไปว่ายไปนะกระแสน้ําพัดไปพัดไ ป, ดไปก็ไปเจอเนินทรายอีกอันหนึ่งนะพอที่ให้เป็นที่ยืนได้เนะกาะไดนะ้เป็นเกาะกลางแม่น้ําแต่จะไม่เห็นนะเป็นเนินทรายเฉยเฉยแล้วก็ท่าที่ขึ้นเนี่ย ก็ต้องขึ้นได้เร็วต้องไม่มีน้ํามาปิดกั้นเอาไว้นะไม่มีพงไม้อะไรมาขวางแตนะ่บางทาีพลาดจากท่านี้ก็ต้องมีอีก 2- อสท่าถัดไปนะที่ให้โค บ, บางตัวพลาไปก็ยังไปขึ้นท่าโน้นได้นะเขต้องเลง่งงี้เขามีเทคนิคอย่างนี้คือเดินจ่ายสอเนิ น, 3, น, นนะหรือ 3- 4เนินก็แล้วแต่กลางแม่น้ํานะแต่ล้วท่าขึ้นก็ต้อง4แห่ง5แห่งนะําไว้ฝั่งโน้นสําหรับที่จะขึ้นฝั่งได้ แต่บงคนสงสัยว่าอ้าวแล้วจะต้องพาข้ามไปทําไมก็ทําไมไม่อยู่ฝั่งนี้คือื่อที่อาหารมันหายากนะท่านผู้ฟังแต่ไม่ต้องพูดถึงอินเดียสมัยก่อนกันเอาเมืองไทยเอาแค่20ปีก่อนแต่วัดปาด่าตอนไหนโศกเนี่ยหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังแต่เวลาเขาเลี้ยงโคเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยเลี้ยงกห้เป็นร้อยตัวหรืเป็นพันตัวบางบ้านเนี่ยมีโคอยู่ได้ถุนบ้านใน 40-50 ตัวแค่บ้านหลังเดียวเรือนหลังเดียวนี่นะครอบครัวเดียวอยู่กัน45คนเนี่ย เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทั้งสี่สิ้าสิบตัวนะสำหรับทําการเกษตรนะเขาก็ใช้วัวใช้ควายเอาควายตัวนี้ไปถ่ายนาตอนเช้านะเอาเหนื่อยแล้วเอาปเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งมานะก็เลี้ยงมันไปอย่างนี้ก็จึงบางทีต้องมีควายเยอะก็ให้เด็กไปเลี้ยงบ้างอะไรบ้างในะสมัยก่อนที่อินเดียก็ไม่ต่างกันในะยิ่งจะมากในะเป็นพันตัวนะในที่นี้ในปฏิบัติบุญนี่เขาพูดถึงไว้เป็นแสนตัวนั่นก็มีแตนะ่ทีนี้ ความที่มันมากขนาดนี้มันก็ต้องที่อยู่ที่กินแต่มบางดีก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นแต่เวลาที่เขาย้ายไปเนี่ยมันก็ต้องดูท่าทีในการไปหลังอาหารนการค้าขายหลายอย่างแล้วทีนี้พอมาถึงจุดที่ต้องข้ามแม่น้ำเนี่ยก็ต้องเล็งอย่างดีว่าต้องมีการกําหนดเนินทรายาไว้กลางตรงนี้แต่ทีนี้เปรียบเหมือนกับที่ที่ให้เราเกา ะ, ะให้เกาะให้พึ่งเป็นเกาะ กาะในที่นี้อาจจะกุญาจจะมองไม่เห็นแต่ขาพอจะเหยียบถึงนังก็เปรียบเสมือนการที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นเกาะเป็นที่พึ่งแต่ความเปรียบเทียบตัวอย่างที่พระเจ้ายกนี้ในเปรียบเทียบระหว่างนโกบาลที่ไม่ฉลาดกับนโกบาลที่ฉลาดในเหตุการณ์สถานการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นในนายโกบาลที่ไม่ฉลาดพอไม่รู้จักไม่รู้จักกําหนดที่ที่จะขึ้นจะขึ้นตรงไหนได้หรือไม่รู้จักกําหนดที่พักกลางแม่น้ําเนี่ย เอาเขาก็พาโคตัวที่แข็งแรงที่สุดแต่เป็นโคจ่าฝูงแข็งแรงด้วยฝึกเสร็จแล้วด้วยมีความเป็นผู้นําแล้วก็จะพาโคตัวนี้ข้ามเนื่องจากว่าในโคบาล น, นี่เขาไม่ได้เล็งดูท่าอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะพาโคข้ามไปด้วยความแข็งแรงของโคเนี่ยมันก็ไปได้มันก็ว่ายไปได้ใช่ไหมแต่พอไปถึงท่าที่จะขึ้นปรากฏอาจจะมีความหนาบ้างไม่มีที่ยืนให้มันยืนสี่ขาเพราะมไม่มีมือจับนี่ นะมันก็จะต้องใช้ขายืนต้องมีที่ยืนให้มันสามารถที่จะเร่งกําลังมันขึ้นไปได้เนี่ยพอมันไม่มีที่ยืนบ้างเป็นท่าที่มีขวางน้ำมีต้นไม้อะไรป้องกันบ้างเนี่ยมันก็ไม่ไปนี้มันก็จะว่ายกลับนะเพราะโคตัวอื่นๆเห็นในตัวโคจากฝูงว่ายกลับนะมันก็จะว่ายกลับตามทีนี้นะก็จะเกิดเป็นน้ําวนขึ้นในกลางน้ํำตรงนั้นนะบวชทุกตัวก็ปตากันแย่และทีนี้นะจมลายไปตามน้ํา นายโคบาลตอนนั้นก็สั่งไม่ได้ลนะตัวเองลากโคมาก็จริงแต่แต่โคไม่ทําตามน้ําหนักมันก็มากกว่ากําลังมันก็มากกว่าแตนะ่เพราะว่าความที่ตัวโคบานเนี่ยนะไม่ฉลาดในเรื่องการที่จะพาโคข้ามฟากแม่น้ํานี่คือนายโคบาลที่ไม่ฉลาดแต่เนะปรียบเทียบกับนายโคบาลที่ฉลาดเป็นอย่างไรก็อย่างที่ว่าเหนะือรู้จักคือพาโคลงน้นะํานละเหนือโคตัวจะฟูงก่อนนะไปตรงนี้มีที่ยืนกลางน้ำที่ที่1แึ่งนะว่ายไปมันก็มีความมั่นใจมากขึ้น รู้จักที่ที่ยืนที่ที่สในที่ที่3อาจจะไหลไปตามกระแสแม่น้ําอยู่ไม่มีปัญหาแล้วก็รู้จักที่ขึ้นถึงจุดที่จะขึ้นแล้วก็มีที่ที่ให้โคเหยียบในการที่จะเร่งกําลังมันขึ้นไปตัวคนมันมีมือมีแขนมันจับได้แล้วแล้วก็ไปอย่างนี้แล้วโคตัวแรกไปมีโคที่เป็นจ่าฝูงมีกําลังเขาเรียกว่าโคอุตสภะเป็นโคที่มีกําลังเป็นโคจ่าฝูงเนี่ยพอเห็นมันไปได้โคตัวอื่น เนี่ที่เป็นโคที่มีกำลังใช้ลากเข็นเป็นโคที่กำลังฝึกอยู่บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ตามไปเนะี่พอตามไปไอ้ผ่านไปได้เนะี่โคลตัวอื่นๆเนะี่ยเขาก็ดูเนะี่ยเาเขาก็ไปตามแถวกันอย่างนี้แหละนะีไปตามแถวเรียงๆกันไปเนะ่ยเห็นว่าผ่านไปได้นะีมีที่เกาะมีที่ยึดแล้วก็มีท่าที่สำหรับให้ขึ้นนะีบางตัวแข็งแรงไม่พอเนะีว่ายช้าเกิดน้ำมันพัดพาไปเร็ว ก็ยังมีท่าที่สองท่าที่สให้ขึ้นอยู่นะไปอย่างนี้เป็นแสนตัวนั่นนะ่ะท่านผู้ฟังแล้วนะก็สามารถที่จะพาโคทั้งหมดเนี่ยข้ามฝากข้ามแม่น้ําไปได้นี่เป็นอุ ป, ปมาอุปไมยแต่นะที่บุรุเจ้ายกขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับอะไรแต่เนะปรียบเทียบตัวพระองค์เนี่ยเป็นนายโคบานนะผู้ฉลาดผู้ฉลาดในการที่จะรู้ที่ที่เกาะเนะกาะเป็นเนินทรายกลางแม่น้ํานะไว้สําหรับยืนเหยียบถึงอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง เรารู้ท่าที่เป็นที่ขึ้นน่ยคือเปรียบเทียบเหมือนกับรู้วัตตะหรือวิวัตตะแต่วัตตะคือที่หมุนอยู่น้ำมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวรู้น้ำมันอยู่ตรงไหนไม่ได้ก็จะรู้แล้วรู้แล้วยังไงบอกอันสิบอกแล้วทาไงพาโคไปตัวไหนไปก่อนเอาตัวที่เป็นจ่าฝูงน่ยก็เปรียบเหมือนกับพวกพระอรหันต์ทั้งหลายน่ยที่มีทุลินดวงตาแต่น้อยนี่แหละพาข้ามไปได้เน่ยพาข้ามไปแล้วเห็นแล้ว พวกที่มีกําลังถัดมามีกําลังน้อยถัดมาฝึกอยู่หรือมีความแข็งแรงพอสมควรแล้วก็เปรียบเหมือนกับภิกษุผู้อนาคามีแล้วไล่ลงมาจากอนาคามีแล้วก็เป็นสกาธาคามีนั่นคือพวกโคที่เป็นโครุ่นโคหนุ่มสาวแล้วก็พาข้ามไปได้ด้วยเส้นทางเดียวกันด้วยกระบวนการเดียวกันในโคบานแล้วก็อาจจะยืนอยู่กลางน้ําบ้างอยู่ฝั่งโน้นบ้างนั่นคือสมัยปัจจุบันเนี่ย พระรูปชาตปฏินิพพานแล้วนะน่ะก็เหมือนอยู่ฝั่งโน้นเรียบร้อยละไปและไม่ได้เจอกลางน้ําละแต่ตอ น, น, นแรกๆเนี่ยตอนที่มาคุมคิวโคให้ข้ามไปอยู่เนี่ยบางทีอาจจะมาอยู่กลางน้ําบ้างน่ะคอยต้อนฝูงโคอยู่ที่เนินทรายบางเนินอยู่ที่ท่าให้ฝั่งโน้นอย่างเห็นอยู่บ้างอะไรบ้างก็คือเปรียบเหมือนในสมัยพุทธกาลน่ะที่อยาก จ, จะมีภิกษุที่ต้องมีให้พระรูปชามาคอยบอกคอยสอนนะ่ะทำเนินตรงนี้ให้ทำเนินตรงนั้นให้ชี้ช่องให้มาเส้นทางนี้ลหลบไปทางนั้น ก, กระแสช่วยน้ําตอนนี้แรงหยุดก่อนกระแสน้ําตอนนี้เบาไปได้เล่านั้นนี้พอโครุ่นหนุ่มสาวผ่านไปแล้วหนูก็ถึงเหล่าลูกโครหรือว่าโคที่สู้ผอมแล้วเหล่าลูกโครหรือโคที่สู้ผอมมันจะป่วยไข้อะไรก็แล้วแต่ตามหนูก็ข้ามไปได้ด้วยเหมือนกันหนูก็เปรีเหมือนกับพวกของโสดาบัลโซดาบัลก็สามารถข้ามได้ไปตามไหนตามทางนี้เหมือนกันหนาไปถึงฝั่งภากโน้นได้แล้วก็บรรลุ น, นิพานได้ คือตั้งแต่อรหันต์นี้บรุนิพพานละนะนาคามีก็จะบรรลุนิพพานตามไปศนะกธาคามีโสดาบันก็จะบรรลุนิพพานตามไปตามไปที่จะตามไปต่อจากนั้นนะคือลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นด้วงวังลองคิดดูโคเป็นแสนแสนตัวแนะมันก็จะมีโคแม่ลูกอ่อนหรือว่าลูกโคที่เพิ่งจะเกิดในวันนั้นแล้วนะก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไหว้าตามเสียงของแม่มันไปนะแม่มันร้องโมโมที่ไหนนะลูกมันก็ตามไป แล้วก็ว่ายข้ามไปได้เหมือนกันอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับพวกโซดาปฏิมักทั้งหลายลโซดามี2 อ, อย่างโสดาบัลเนี่ยมีโสดาบันที่เป็นมักกับโซดาบันที่เป็นผลเนี่ยพวกผลนี่ก็คือเปรียบเหมือนกับเราลูกโคโคที่สุพหอมข้ามไปได้แต่เราลูกโคที่เพิ่งเกิดวันนั้นแต่ยเป็นโคอ่อนแต่เท้ายัางยืนเหยียบไม่ถึงละ่ะแต่ก็ว่ายตามแม่มันไปเฉยแล้วก็แสน้ํามันไปทางเดียวกันเนี่ยมันไปได้ นะไม่มีกระแสทวนกลับมาทําให้เกิดเป็นน้ําบนเหมือนอย่างนายโคบานที่ไม่ฉลาดนะพาคนไปผิดทางแล้วนะก็ต้องจมลงชิพหายอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราไปตามทางที่ถูกไปตามนายโคบานที่ฉลาดนะเราจะผ่านข้ามไปได้นะเรียเหมือนกับแม้แต่ลูกโคที่เพิ่งเกิดในวันนั้นนะเป็นผู้ที่แล่นไปตามศรัทธาแล่นไปตามกระแสแห่งธรรมคือเราฟังธรรมะบางทีเรารู้สึกว่าเออธรรมะนี่มันดีแฮ แต่ว่าเราอาจจะยังบรรลุอะไรไม่ได้หรอกแต่ก็ทำํำตามตามไปทำตามตามไปก <c oughs> ็ว่าไงก่อนลองทําดูแต่หรือว่าเราอาจจะมีความศรัทธาในพระเจ้าแต่ยังไม่ได้บรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งหรอกแต่แค่เราคุณมีความศรัทธาในการตรัสรู้ของพระเจ้าเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่เล่นไปตามศรัทธาแล้วนะเป็นผู้ที่อยู่ในโสดาปฏิมรักแล้วนะรักษากระแสของตัวเองนี้ให้ได้ให้ดีให้ถูกให้ต้องแล้วเราก็จะถึงฝั่งนูนด้านกันแต่นะเป็นผู้ที่พ้นวิวัตต์นะพ้นจากวัตตก็คือวิวัตตะ ไม่หมุนนะ่ะมานอยู่ไม่ได้มานตามไม่ถึงนะ่ะเราต้องฉลาดตรงนี้นั้นะเดินตามกระแสให้ถูกต้องเส้นทางตัวนี้คืออะไรคืออริยามรรคมีองแปดท่านฟังเราพระอรหันต์ที่เดินตามเส้นทางนี้ข้ามฝั่งของสังสารวัฏข้ามห่วงน้ําที่มันพัดมาอย่างบึ้มบึ้มบมบ้ ม, บมเนี่ยนั่นคือห่วงของตัณหานั่นะถูกตัณหาโถมทับถูกตัณหาสัดใส เราสามารถข้ามหน้มีเกาะตรงนี้นะยืนเหยียบไว้ก่อนพักแรงก่อนหน้าไปต่อนะ่ยกระแสน้ำพัดมาเราก็ไปต่อเขาไปยืนเกาะอยู่นั้นแลนะมีเกาะมีสารณะสารณะนี่แหล ะ, ะเป็นเกาะแต่ว่าที่พึ่งเป็นเกาะนะให้เรายืนเหยียบถึงให้เราพอที่จะพักใจพักกายนะให้มันมีความสุขมีความมั่นใจอยู่ในทางได้อา้าไปต่อเนะีประเด็นตรงนี้นะ่าสนใจตัมบูฟังเป็นเพราะว่าเวลาที่โคเนี่ยถ้าสมมุติเราลองจิงนตนาการดูนะ เราเป็นโคตัวหนึ่งในกําลังว่ายน้ำํำข้ามกระแสแม่น้ําที่เชี่ยวกรากอยู่ขาหยิบยังไม่ถึงเริ่มจะเหนื่อยละนะก็อีกไกลด้วยกว่าจะถึงตัวเองก็ถูกน้ําพัดไป เ, เห็นอะไรกองอะไรไม่รู้ลอยๆมาคิดว่าจะเข้าไปพักว่ายไปว่ายไปอ้าวเข้าไปถึงอา้าวมันเป็นผักตบชวานะแตกออกอา้าวพักไม่ได้เหมือนกันบางทีเขาบอกเอ้ยคุณไปฉีดโบท็อกซ์สินะปรับโหน่งแหงนอะไรต่างเพือดีขึ้นทําไปแล้วก็ เสียเงินบเปล่าแต่ก็ไม่มีอะไรดีกันชีวิตก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมเอาโคไปเดี๋ยวว่ายน้ำไปอีกถูกน้ําซัดไปซัดไปเอาไปเจออะไรไม่รู้กองกองอยู่ตรงนั้นเป็นรอยมาเข้าไปดูอา้าวมันกลายเป็นล้ําโฟมเดนะเป็นกลุ่มก้อนฟองน้ําำต่างต่างเข้าไปโดนมันก็แตกออกเกาะไม่ได้เดนะยืนไม่ได้แต่เหมือนบางทีเขาบอกว่าเอ้ยคุณไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลสิชีวิตจะได้ดีขึ้นหมดความทุกข์แต่พอไปเปลี่ยนแล้วทําแล้ว เฮ้มันหาสาระอะไรแก่สามไม่ได้ชีวิตก็ฉันก็ยังทุกอยู่นะหรือบางทนะีวัวที่มันกําลังข้ามแม่น้ําอยู่นี่เห็นอะไรลอยมาทุบป่องทุบป่องหนะคิดว่าอันนั้นจะเป็นแก่งเป็นเกาะที่ให้ไปกเปกาะไปยึดได้ว่ายกไปว่ายกไปอา้าวกลายเป็นกองขยะในแม่น้ําลอยมาเป็นจอกแหนลอยมาเข้าไปโดนมันก็แตกออกแตกออกหรเมื่อบางทีเขาบอกนี่พระเครื่ององนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้หนะักทำให้คุณรักษาคุณได้แต่คุณไม่ต้องทําอะไรหรอกมีไว้ไเฉย เอามามีอยู่เอ๊ะชีวิตเจ้ก็ยังทุกข์เหมือนเดิมนะ่ะเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นนายโครบานที่ฉลาดนะ่ะก็จะรู้ว่าตรงนี้มีแก่งอยู่นะ่ะแกงเนี่ยคือเวลาน้ํามันลดใช่ไหมมันจะมีแก่งเนินอ่าในแม่น้ําแต่พอน้ํามันขึ้นท่วมสูงในฤดูศาสตร์เนี่ยคือท้ายของฤดูฝนน้ํามากเนี่ยแกงมันถูกน้ําท่วมทับอยู่มองไม่เห็นนะแต่พอไปยืนพอจะยืนเหยียบถึงต้องคนฉลาดเขาถึงจะรู้ตําแหน่งของแก่งที่อยู่ใต้น้ํา นะ่ยพอที่จะเย็นเย็ยบถึงได้เอาไปเกาะตรงนี้นะเสร็จแล้วก็พอมีแรงขึ้นก็ก้าวไปต่อเนี่ยเดินะจนทั้งถึงท่านะท่าฝั่งขึ้นแม่น้ํำคงคาเนี่ยไม่ได้มีท่าเดียวไม่ได้มีท่าเดียวมีหลายท่าในที่นี้เขาพูดไว้ทั้ง4ท่า5ท่าเช่นเดียวกันนะอย่าไปคิดแต่ว่าเออฉันต้องบรรลุแบบนี้แต่ครูบาอาจารย์ฉันบรรลุตรงนี้ฉันต้องบรรลุแบบนี้มันก็ไม่แน่คุณอาจจะบรรลุ ด, ด้วยเมตตาก็ได้ คือถ้าเราจะคิดว่าไอพิจารณาอสุภะเท่านั้นคุบราจันพาธมาก็นี่คือท่าขึ้นของท่านแตนะ่ท่านไปนิพพานได้ก็ขึ้นท่านี้แตนะ่บางคนอาจจะเป็นท่าอื่นนะอย่างองค์ุลิมานมาบวชได้มือเปื้อนเลือดนะเป็นโจรมีใจมั่นในการปราบปรานก็ยังบวชไดนะ้อาจจะศีลไม่บริสุทธิ์ตอนที่จะขอบวชตอนนั้นแต่สมาทานแล้วศีลก็บริสุทธิ์หรือว่าเพื่อนของนางวิษาขา่นะที่บรรลุเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยในท้องก็ยังมีเล่าอยู่ เนะีกินล่าอาิกอักอิกอักนีแล้วก็แต่ก็บรลุทําได้นะอาจจะไม่ใช่ขึ้นที่ท่าศีลนะศีอาจจะยังไม่เต็มที่แต่ว่าก็ยังมีท่าอื่นๆมีกระบวนการวิธีการอื่นๆในนะที่ทําให้บรรลุได้ก็มีเพราะฉะนั้นท่ามันก็ต้องมีสีท่าหาท่า น, นั่นนะอาจจคุณอยาจจะพิจารณาเรื่องของจิตคุณอยาจจะพิจารณาเรื่องของความไม่เที่ยงในกายคุณอาจจะพิจารณาเรื่องความไม่ใช่ตัวตนแล้วปล่อยวางได้บางคนก็จะอยู่ในท่าเดินจงกรม บางกนก็จะอยู่ในท่านั่งอย่างท่านพระอนุนะระหว่างนั่งกับ น, นอนก็บรรลุปเป็นพระอ า, หารหันได้แตนะ่บางองค์ก็มีฤทธิ์บางองค์ก็ไม่มีฤทธินะ์โอ้หลายอย่างหลายรูปแบบแตนะ่ซึ่งท่าที่ขึ้นมันก็แตกต่างกันไปพรุรูปชาติเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องเส้นทางนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะท่มนผู้ฟังนะว่าเขาตามตา ม, ตามกันมานะไอ้โคลูกอ่อนที่มันเกิดในวันนั้นเนี่ยก็ตามเสียงร้องของแม่มัน ไอ้พวกเราลูกโครหรือโคที่ยังสู้ผอรร ogens, มล้วก็ตามโคที่เนะป็นรุ่นรุ่นหนุ่มๆไปไอ้เจ้าโครุ่นรุ่นหนุ่มๆล้วก็ตามโคที่แข็งแรงะตามไปไอ้เจ้าโคที่แข็งแรงมีกำลังใช้งานก็ตามโคจา่าฝูงแข็งแรงด้วยฝึกเสร็จด้วยนะ่ะตามไปตามไปตามกันไปอย่างนี้ซึ่งแน่นอนไอ้เจ้าโคจ่าฝูงเนี่ยโคที่ฝึกเสร็จแล้วมีกาลังแข็งแรงเป็นจา่าฝูงเนี่ยก็ตามนายโคบายไป เช่นเดียวกันแตนะ่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุแล้วเห็นธรรมะแล้วเนี่ยถ้าท่านสอนถูกทางตามที่บุญเจ้าสอนเราก็ตามทางนี้ไปได้แตนะ่บางคนก็อธิบายไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งแตนะ่ทาให้เราเข้าใจได้แตนะ่เป็นเส้นทางที่เราเห็นเป็นเส้นทางที่เราปฏิบัติได้แต่อันนี้เราก็ต้องเปรียบเทียบให้ดนะีว่าไอ้เส้นทางที่ท่านบอกสอนเนี่ยอยู่ในทางที่บุญเจ้าบอกสอนไหมนะอยู่ในเส้นทางเดียวกันไหม เป็นเส้นทางที่นายโคบาลทําไปหรือไม่นั่นะเราดูกระแสให้ดีดูเส้นทางให้ดีถ้าเปรียบเทียบกับมรรคแต่แล้วจะต้องไม่หนีกันเปรียบเทียบกับศีลสมาธิปัญญาแล้วจะต้องไปในแนวทางเดียวกันนั่นะเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าอาศัยข้ามเป็นเส้นทางที่พระประเจกพุทเจ้าพระอรหันต์สาวกในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์สาวกในสมัยปัจจุบันนี้อาศัยข้ามแล้วขึ้นท่าได้แล้วนะําไปสู่ฝั่งนู้นได้โดยสวัสดีแล้ว าอาจจะกำลังจะข้ามอยู่นอาจจะมีที่ยืนเหยียบถึงอยู่กลางเนินทรายเนินหนึ่งหรืออาจจะอยู่ระหว่างเนินทรายถูกกระแสน้ําพัดไปอยู่แต่เท้ายืนเหยียบไม่ถึงถูกกระแสตนาบึ้มๆอยู่ในใจมีความทุกข์บ้างอะไรบ้างนําไปทําทางนี้แหละตะมุฟังมันจะมีที่เกาะได้ที่ยืนเหยียบถึงให้เราพักอยู่กลางแม่น้ํบาบมืที่เราอยู่ในกระแสกลางกระแสน้ห่วงน้ําอยู่ตัวเดียวอยู่คนเดียว มองไปรอบข้างไม่เห็นใครเรวก็อาจจะไปกันหมดแล้วแต่ถ้าเราไปตามทางนี้อยู่จะเห็นไรๆอยู่ตรงนู้นได้มีคนที่ทําได้เราได้อ่านกหนังสือพิมพ์มีคนทําความดีรได้ดูทีวีมีเรื่องราวที่เป็นธรรมะฟังวิทยุเปิดวิทยุแล้วก็ยังมีเสียงเป็นธรรมะออกมาตามทางนี้แหละท่านผู้ฟั ง, งตามทางนี้คุณไม่ได้โดดเดี่ยวแน่นอนบางทีมันอาจจะไม่ได้ใช้ตามองดูนะแต่ว่าเป็นเส้นทางที่ไม่โดดเดี่ยว เป็นเส้นทางที่เป็นไปตามธรรมคนเขาอาศัยทางนี้ข้ามกันเยอะแยะแต่คุณไปคุณไปอีกหน่อยตูกระแสน้ำพัดพาไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ท้ามันมีอยู่เนินทรายกลางแม่น้ำที่เราให้เกาะให้เหยียบที่พอจะพักใจได้บ้างแต่คุณอาจจะไปข้างนอกทำงานบึมบั่มบึมบัมเจอเรื่องราวกับหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานข่าวการเมืองอะไรต่างเอาการมาบ้านพักใจ่ นะมีที่พักที่ระลึกถึงให้เป็นลหมหายใจมีสติไม่ลืมหลงให้มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายเอาแค่วินาทีนั้นคุณก็จมีที่พักใจแลนะคุณก็ใจสบายได้อา้าไปต่อแตนะ่ต่อสู้ต่อให้ไปถึงฝั่งนู้นให้ได้ให้ไปถึงที่ที่มันจะแห้งเดี๋ยวอยู่เปียกๆเปียกๆไม่ดีเดี๋ยวถูกพัดไปแต่เนะชื้อโรคอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นได้แล้วก็รีบข้ามฝั่งไปให้ไปถึงฝั่งนู้นให้ได้ให้ถึงความเย็นใจให้ได้ ไปถึงที่ที่จะเป็นที่ราบลุ่มอันสม่ำเสมอมีหญ้ามีอาหารให้โคกินได้อย่างสบายนั่เราไปถึงฝั่งนู้นแล้วสบายใจได้ไปถึงที่ที่มารจะตามไม่ถึงไปถึงที่ที่มรุดตะอยู่จะตามไม่ถึงเป็นที่ที่สบายเป็นที่ที่เกษมเป็นที่ซึ่งอุดมไปด้วยธรรมานั่นเองแล้ท่านตุวังมีคําตามข้อเสนอแนะใดๆท่งนข้าพเจ้าพระไพบูุ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไอโซก็ยินดีรับฟังและโดยการส่งจดหมาย มาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไนโซอำเภอหนองหานจัองหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นปริศนียบัตรก็ได้ก็มาที่ที่อยู่เดียวกันถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ purethma.com p u r e d h a m m a .com วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูญพระ พ, นะพิปุนโนขอลาไปก่อนจุฬาพอน